เราจะจะทำอะไรก็ทำซะจะก่อนนำหอนตัสายละกาตัวอรหันต์สมมาสมพุทธ์สายนา มหาเถรปมาเถนะมหาเถริปมาเถนะทวารเตเยนกตังทวารเตเยนกตังสัพพังอภรัตังขมาทุโนภันเตสัพพังอภรังโนัเตมหาเถรปมาเถนะ ทวารตะเยนกัตังสะพังอภาระทางขมทุโนพันเตมหเทเรปมาเทยนกา สัพพังอภาราทางขมทุโนภันเตสัพพังอรารทาทนุนาาโภัณเตเขารับธรรมอันไม่มีเวในไทยนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจามหาเถระชั้นที่หนึ่งคือพระสมรมทพระพรธเจ้าทั้งหลาย ชั้นที่สองคือพระพระเจกทั้งหลายชั้นที่สามพระอรหันต์ตาศีนาศบทั้งหลายชั้นที่สี่พระอนาคามีทั้งหลายชั้นที่ห้าพระสะกักกะทคามีทั้งหลายชั้นที่หกพระโสดาบันทั้งหลายพระมหาเถระโลกุตระทั้งหลายเหล่านี้เพวกอเราทั้งหลายได้ทำผิดท่านด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่มนูกกรรมสาม อันใดอันหนึ่งมาแต่พกกฎ ก, ก่อนก็ดีหรือในปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็าดีขอให้พระมหาเทระทั้งหลายเหล่านั้นจงทรงอธิษฐานให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่โดยทุกเมื่อผลชุด ท, ท้ายพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบารพุทธศาสนาของพระธรรมาพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยทอบโดยดว่วนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเทินในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดี ที่ไม่ได้มาในที่นี้ก็ดีทั้ทั้งไตรโรกาต่างฝ่ายต่างทําผิดกันด้วยกายกรรมสามวิจีกรรมสี่มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พวก่อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีพวกเราทั้งหลายทุกทัหน้า ท, ทั้งไตรโรกาต่างฝ่ายต่างให้อโหสิกรรมแก่กันและกันล่วงหน้าอยู่โดยทุกเมื่อไม่มีประมาณผลทุดท่านพวกเราทั้งหลาย ลงพ่นจากกองทุกข์ทั้งพวงโดยไม่เหลือในปัจจุบันปัจจุบันนจิตปัจจุบันธรรมอยู่ทุกงมไม่มีประมาณเทินห่างตุงให้หิเปเมคมมิตาบางยัตชาปปงางกตังขมังปุสเรเนปะหิยตีโซมังโลกองังวพาเจตีพรมตัวจันติมาวิวาทัศนีนิสนิจังวุ ธ, ธาประาโนโรจตาโรธรรมาวัฏันติอายวุวโนสุ ข, ขังภะรัง<า>เราทำวัดทั่วทั้งไตโลกธาตุ มันไม่ผิดดอกหรือมันไม่ผิดเพราะเราเคารพธรรมอันไม่มีเวเนภัยเหตุนั้นพระพรทธศาสตร์ธาจึงเคารพธรรมสัทธโมคะกาตโบเคารพธรรมอันไม่มีเมเนภัยพระพุทธศาสตร์สอนอะไรบ้างพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนตรงกันหรือไม่ พระพุทธเจ้าท่านุกพระองค์สอนมนุษย์สมบัติสอนสวรรค์สมบัติสอนพรมสมบัติสอนนิพพานสมบัติตรงกันแล้วไม่ต้องสงสัยเลยพัฒนามนุษย์สวรรค์พรมนิพพานไปในตัวแล้วไม่ได้ลบล้าพราบกันเลยไม่เหมือนชาวโลกชาวโลกทําไมถึงลบล้าพราบกันเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีกิเลสดึงเข้าไปเป็นอํานาจของใครของมันพระพุทธเจ้าไม่ได้ดึงเข้าไปเป็นอํานาจเป็นธรรมาธิปไตย สอนโลคพอแล้วจึงทรงพระนามว่าโลกวัตถูเป็นผู้รู้แจ้งโรกอนุตตรโริสาาธรรมสาระทิทิสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยเต็มภูมิอยู่ทุกยุคทุกสมัยแต่ชาวโลกขี่โอ ไม่ค่อยสนใจคําสอนพระพุทธศาสนาตั้งกฎหมายกฎหมู่กฏพักกฏพวกของชาวโลกไม่มองรูคําสอนพระพุทธศาสนาและกิจใจก็ไม่บรรเทาเกิเลดด้วยเหตุนั้นกฎหมายจะตั้งไว้กี่ล้า น, านมันก็ไม่อยู่นั่นพระ อ, อู๋ของธรรมไมนำำ่นําคํานึงก็หมดเที่พึ่งพิงอิงอาศาัยทางความช่วยในที่แจ้งมาได้มันก็ไปทําในที่รับเพราะคําสอนของพระบรมศาสน า, ศาเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินพ涅槃สมบัติบริบูรณ์แล้ว ไปในตัวเลยวัตถุนิยมมันดึงอุดมคติไปในตัวอุดมคติก็ดึงวัตถุนิยมไปในตัวกลมคืนกันเหมือนหนังกับเนื้อกับกระดูกเหมือนดีนําไฟลม ก, กลมกลืนกลมกลืนกันอยู่เหตุนั้นจึงไม่ควรดูหมิน่นพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาถ้าเป็นนักมวยเอกก็ กอดเลยเข้าไปก็กอดเลยกรรมการแกะทันก็ทันไม่แกะก็ชัดข้ามเสื้อเลยเสื้อตายเลยความระอาต่บาบความกลัวตะบาบเท่านั้นจะคุ้มคองโลกได้นั่นนั่นพระพุทธศาสนาถ้าไม่มียังอาต่อบาบไม่มีความกลัวต่บาบแล้ว กฎหมายเธอจะตั้งไว้กี่ล้านล้านมันก็ไม่อยู่พระบระมศานาจับเอาทำสองข้อเป็นสำคัญแล้วถ้าชาวโลกมีความกลัวตบบาสมีความกลัวตบบาปแล้วมันก็ละอายมันไม่ร่วงละเมิดสิทธห้านั่นมันเป็นร่วงละเมิดสิทธห้า ก, ก็เพราะมันไม่ละอายต่อบาปสองข้อข้างต้นนั่นเองเหตุนั้นจึงอนุมานอยู่ทุกกยาลยนะ่ะแก้ปลายเหตุของมันมันแก้ไม่ถูก กกเหตุมันอยู่นี่นะใครเป็นผู้บัญญัติบาปุลคุณโทษถูกก็พระสมมานพรพุทธเจ้าเท่านั้นใช่หรือไม่นั่นนั่นเพราะนั้นก็บัญญัติเข้าข้างตัวบ้างเข้าข้างกิเลสของตัวว่างข้างพักของตัวบ้างผู้ใดมีกิเลสมากก็บัญญัติเข้าพักของตัวมากผู้ใดมีกิเลสน้อยก็บัญญัติเข้าพักของตัวน้อยผู้ไม่มีกิเลสเลยเหมือนพรบรมศาสดาก็บัญญัติตามธรรมาธิปไตยนั่นนั่น ถ้าชาวโลกไม่เสียนหน้าบริวูนไม่เล่นอบายมุกเวรไภก็ไม่มีนอนก็ไม่สะดุ้งหัวเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างนั่นนั่นนั่นก็มีเท่านี้มันเพียไปแต่นี่ก็พูดแต่นี่ไปพูดที่อื่นมันก็ไม่ถูกเพราะมันเพีไปจากนี่ไปแก้ปรายาเหตุมันก็แก้ไม่ได้ต้นเหตุมันอยู่นี่นั่นนั่น เหท่านจิกสอนให้มีบาปมีบุญมีคุณมีโทษมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายมีมีสิ่งที่เคารพเชื้อกรชาวโลกมีเสียงห้าบเดวูลทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่เช็คต้อง ม, มีใช่หรือไม่นั่นทำไมจึงกล่าวซ้ำๆซักซาก่าพราะมันผิดไปจากนี้ก็ต้องกล่าวซ้ำๆซักซาอบ า, ายามุขทุกประเภทชุกชุมในโลกอบัามายามุข มันก็ปีนเกีียวของความละอายต่อบาปกลัวต่าบาปถ้าละอายต่อบาปกลัวตบาปอบายมุกก็ไม่มีใช่ไหมมุกขะก็แปลว่าชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากใช่ไหมเป็นปากเป็นทางแห่งชิบหายของชาวโลกมีน้ำซ้ำชาวโลกส่งเสริมอบายมุกก็คือส่งเสริมไฟเผาโลกนั่นเองถูกไหมนั่น นักเรงหญิงนักเรงสุรานักเรงเรงการพนานควบคุช่วเป็นมิตรเกียรติข so so <ız S 1> <kal> ั้นทางานในทางที alone, ่ชอบนั่นพระพุทธเจ้าสอนสานญาติสอนโยมพระพิษุสงฆ์มันผ่านมาแล้วเทวสัมมาเรนผ่านมาแล้วสอนญาอสอนญาติสอนโยมตรงๆโดยตรงๆโดยโจ่งแก้งด้วยโรคเออดมาจากไหนก็มาจากละเมิดสินห้าใช่ไหม ฆ่ากันตายมาจากข้อไหนกูฆ่ามึงมึงฆ่ากูเวสรสนองเวรภัยสนองภัยไม่ปลดอาวุธเวรภัยเลยก็มาจากปนาันอาทิบัตรใช่ไหมรักของการรักซกซกหอรักพ้นรักขี้ตีชิงวิ่งราววิ่งไทยวิ่งเจกตวิ่งกรีนมาจากไหนก็มาจากอาทิตนาทานใช่ไหมนั่นทีนี่ไม่รู้ว่าผัวใครเมียใครไม่รู้ว่าลูกใครบุตรใครหลานใครเหมือนกับ เหมือนกับเหมือนกับจุดๆๆเมาเดือนก้าเมาเดือนก้าคืออะไรคือมาเดือนเก้าใช่ไหมไม่ใช่พูดไม่ใช่พุษธะ พูดคำหยาบไม่สัมผัสปราประพูดเพ้อเจอพูดตามเป็นจริงมันเป็นจริงอยู่อย่างนั้นมันตื้นตื้นเราจะไปเอาลึกมันก็ไม่ได้ในโลกอันนี้มันตื้นนักเราจะไปอาหาอุบายลึกไม่ได้เอาเพียงเลยถูกไหมโลกไม่มีแต่เราเราคนเดียวเป็นโลกไม่ได้เราคนเดียวเป็นประเทศไม่ได้ เราคนเดียวก็เป็นพระนครหลวงไม่ได้เราคนเดียวก็เป็นจังหวัดไม่ได้เราคนเดียวก็เป็นอำเภอไม่ได้ตำบลไม่ได้หมู่บ้านไม่ได้บุคคลไม่ได้ครอบครัวไม่ได้เป็นวัดเป็นวามัได้ต้องอาศัยเชื่องกันและกันในโลกนี้ข้าวที่เรากินชาวนาเป็นผู้ปลูกโกรงสีเป็นผู้สีพ่อข้าเป็นผู้ค้าขายคนเราจําต้องอาศัยกันและกันดังนี้อยู่ในตัว อัตถิอตโนโนาโถตนเป็นทพึ้นของตนก็จริงแต่ว่าต้องอาศัยกันเป็นพักเป็นพวกเป็นหมู่เหมือนกันเช่นปลวกแล้วมดมันก็บังคับกันอยู่เป็นฝูงผงเป็นพวกพวกถ้าห่างเหิอนออกจากคำสอนพระพุทธศาสนารไปไม่รอดเลยมันวุ่นวายไปแต่อบายมุกมีน้ำซ้ำจะเอาทุกกุลาเนี่ยไปทําอบายมุก กุราร้องไห้ได้ยินมาได้ยินมาแปลกๆลมมันมาพัดหูนี่ได้ยินมาก็ไม่ใช่แต่กูร่าจะเป็นร้องไห้แก๊กก็จะร้องไห้กีนก็จะร้องไห้ไทยก็จะร้องไห้ลาวก็จะร้องไห้นีมันหมดมาเขาก็เอาไปข่าวเดียวเซ็ตเลยเราไปเล่นต่างประเทศเราเอาบาอามาญมวกไปเล่นต่างประเทศถาอะไรเข้ามาบ้างมีแต่เอาไปให้เขาใช่ไหม เขาเขามาเขามาเล่นกับเราเลยเขาก็หุกไปข่าวเดียวละเออนั่นอบายามุกพระพุทธเจ้าองค์ไหนสอนให้ชาวโลกประพฤติมันไม่มีนั่นนั่นนัทธีโลโเกเดี๋ยวเดียวเดียวนัทธีพราปณาญากะคนผ่านไม่ใช่คนหัวหน้าบัณฑิตจึงเป็นคนหัวหน้าทำฝ่ายภาคก็เหมือนกันฝ่ายโยม ก, ก็เหมือนกันกันที่ตาปัญาญกะบัณฑิตเท่านั้นจึงเป็นนายกจึงเป็นหัวหน้า นัตถิภาพลพนนาจักกาคนภานไม่ใช่คนหัวหน้าจิตใจที่มันเป็นภานอย่าไปเอามันเป็นหัวหน้าจิตใจที่ไหนเวลามันมีกามวิตกมากพยาบาทวิตกมากวิทิศาวิตกมากอย่าเอามันเป็นหัวหน้านี่น้อมเข้ามาในฝ่ายปฏิบัติไยนอนเข้าไปในบุคคลก็อันเดียวกันมันผิดอยู่ตื้นอย่าไปเทศลึก เรื่องพระนัหัน์มันไกลบ้าจริงๆพระนั่งหันอะไรแต่มนุษย์สมบัติก็ยังไม่ถูกแต่สวรรค์สมบัติก็ยังไม่ถูกมันจะถูกนี่พานสมบัติมาจากประตูใดล่ะนั่นนั่นนั่นนั่นมันยิ่งไกลยิ่งไกลเลยพระพุทธศาสนาพระสมัย พ, พุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีพุทธจริยาสามยาตะถะจริยาพุทธะถะจริยา ทรงเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าสร้างวาระเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าญาตถาจริยาทรงพระพุทธเพื่อสงเคราะห์ญาติเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่แล้วโลตรถจริมญาพระพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกจึงทรงพระนามโลกกวิถุสัตถะเทวมนุษย์สานางังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างเต็มภูมิแล้วมีคําสอนอันเดียวกันมาในรลบล่างเลย ไม่ได้รบล้างพรลวออกันจะมากี่ชาติขีพบก็าตามจะมากี่ร้อยรอยโกดพระองค์ก็าตามก็าามกเป็นธรรมอันเก่าไม่ได้บัดแปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะมันถูกพอแลว้วสอนพิเศษสมัยเดนอวาโตอวาวิกาไปพร้อมกันเลยยกทัพเข้าสู่พระนิพพานเลยแต่ทัพเบื้องต้นมันก็ยังไม่ถูกจะให้มันเข้าสู่พระนิพพานที่ไหนนั่น กอทรอาก็ยังไม่รู้จะเรียนปริญญาแปดปรดิญญาเก้ามันก็ไม่ถูก น, ะนั่นมันก็ผิดไปแต่แก ต, ตั้งแต่กอทรากาขอทราขามเมื่อเขียนเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ถูกแล้วแค่จะได้ชั้นปหนึ 1, ่งปสองปสามมันก็ผิดไปแต่ต้น่ะต้นคืออะไรก็คือหัวใจเอกวันกันนั่นนอกจากกายไม่มีอะไรจะทําดีให้ใายนอกจากกายก็ไม่มีอะไรจะทําชั่วให้ใกากกย ใจเท่านั้นทำดีให้ใจใจเท่านั้นทำชั่วให้ใจเพราะผู้เป็นเจ้าใจเป็นผู้สร้างขึ้นเพราะเป็นปรามาศรนาเราเป็นเพียงสั่งสอนพวกเธอทั้งหลายก็ต้องทำตามสักง่วงนอนก็ต้องนอนเองกระหายน้าก็ดื่มเองหนียวอาหารก็ทานเองเราแต่เป็นเพียงที่บอกเท่านั้นจะทำแทนพวกเธอไม่ได้คำสอนแต่ละทระบาต ร้องเรียกพวกเราทั้งหลายอยู่ลูกหลานเอ๋ยปลดอาวุธเสียเถิดอาวุธอบายยมุกนั่นปลดเสียเถิดมุขขะมุขะมันชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากของพวกเธอทั้งหลายค่อยๆกับพูดอย่างนั้นคําสอนแต่ละบิดระาบาดแต่พวกเราไม่ปลดเสียเลยและพูดกันวิชาสูงๆทั้งนั้นอเอามาพูดจินสมบัติอะไรวิชาสูงๆแต่อบายยมุกไปยังไม่ไม่เว้นอ่า อร้ายามุกขคัดต่อสิ้นห้าเหมือนกันพระโสดาบันก็ยังไม่ได้จะไปพูดอรหัน์มันก็ยิ่งไกลละถ้าเปิดประตูพระโสดาบันและสักราคาเมนาคามอรอรหันต์ก็เปิดประตูไปเองพระโสดาบันไม่พูดยังไงก็ไม่ใช่ได้ร่วงละเมื่สิ้นห้าไม่ใช่ได้ร่วงละเมื่ออร้ายยมุกไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่ใช่ได้อยากจะถือเลิกดียามดีไม่ใช่ได้อยาก ค่าขายเครื่องอาหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นรายเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายนเน้เมาค่าขายยาพิษการค้าขายทั้งห้าอย่างนี้ไม่ใช่ยดาร่วงละเมิดเลยสิ่งไหนไม่ใช่ยดาร่วงละเมิดสิ่งนั้นมันก็ไม่หนักใจทําไมจึงไม่ใช่ยดาร่วงละเมิดพราะเห็นตามเป็นจริงแล้ว ว่ามันเป็นทางชิบหายไป ม, มีสารอุทรเลยเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเป็นสัมมาทิฐิเบื้องต้นสัมมาทิฐิเบื้องต้นก็คือพระโสดาบาลสัมมาทิฐิเบื้องใายก็คือพระอรหันต์สัมมาทิฐิแปลว่าเห็นชอบพระโสดาบันเห็นชอบในการเดินตรงถูกทางในทางความประพฤติปฏิบัติพระอรหันต์เห็นชอบในทางที่ทําเสร็จแล้ว สัจจยานปรีชาอย่างรูอริยสัจกิจจยานปรีชาอย่างรู้จิตอันควรทำกัตตยานปรีชาอย่างรู้จิตอันที่ทำเสร็จหมดแล้วนี่เรียกว่ามหาสมาธิติของพระหานสมาธิติเบ <Okay. S 1> <Horse, S 2> ื้องต้นของพระสวัสดิบก็คือมนุษย์สมบัติเราตรงๆนี่เองก็คือสวรรค์นี่เองก็คือพรหมนี่เองนิพพานนี่เองถ้าไม่ถูกมนุษย์สมบัติแล้วสวรรค์พรหมนิพพานจะมาจากประตูใดล่ะนะ ปริญญาในทางพุทธศาสนามีเหมือนกันยาตะปริญญากําหนดรู้ด้วยการรู้ตีนนะปริญญากําหนดรู้ด้วยการพิจณาประหารปริญญากําหนดรู้ด้วยการละศีลกิเลสทั้งหลายทั้งละหมดแล้วปริญญาพวกเราอับอายามุกก็ยังไม่ลดแล้วกับปริญญาแล้วก่อน hmm. เอาละห้ามเบรก <laughs> ลูกไหมแล้วก็ว่าให้เราเนี่ยเองนะอ่าเมื่อว่าให้เราก็ว่าให้ทั่วทั้งใจโลกทานเลยไม่ได้มองว่าว่าให้คนอื่นพวกเราใช้คําว่าพวกเราไม่ใช่ว่าลูกปู่สําเร็จแล้วลูกปู่ไม่ได้สําเร็จลูกปู่ก็ดา่าลูกปู่เหมือนกันพวกเรามกท่องอยู่ที่ ที่นี่ให้เวลาเท่าไรเวลามานี่ตั้งกันไว้เท่าไรฮะเวลานี่มาตั้งกันไว้แล้วเท่าไรแล้วไม่ได้ตั้งหรือที่นี้จะห้จะให้ปลารอบอะไรบ้างถ่อไปนี่นี่เบื้องต้นขอธรากาขอธราขาเนี่นี่เบื้องต้ น, น, าาาา น, ต น, นที่นี่เบื้องกลาง เบื้องกลางเรื่องภาวนาผู้มีศีลห้ามันก็เป็นศีลารณสติอยู่ในตัวมันก็เป็นพุทธานุสติอยู่ในตัวพระระลึกถึงคุณ พ, พระพุทธธรรมประสงค์ระลึกศีลเป็นศีลารณสติอยู่ในตัวเป็นสมาธิอยู่ในตัวความเห็นชอบเบื้องต้นความเห็นชอบเบื้องกลางก็คือพระอนาคามี พระสสดาบาลไม่เสียดายร่วงระเมิดสียห้าไม่เสียดายร่วงระเมาอบายจะมุกไม่เสียดายอยากจะอยู่ถืออยู่ยงคงกระพันุ์ไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดนั้นภูมิพระสสดาบันมีเท่านั้นจะเดินจงกรมภาวนาตลอดรุ่งตลอดค่ำประตามถ้าอันนี้ไม่ขาดมันก็ไม่ใช่พระสวสดาบันเป็นพระโสดันโสเดเอาโสดขาดคเนนี้ผลนับก็คืออย่างนั้น ทำแต่แต่งานไม่รู้ว่าจากผลมันอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ถูกมันต้องรู้จักเหตุถ้ามันดูตาไปพูดรู้จักเหตุรู้จักสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อันยูตารู้จักผลรู้จักวาสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้เหตุเป็ทางชืบหายเราก็ไปบัญญัติกลามันเจริญมันจะเป็นสมาธิิฐมาจากประตูไรมันจะเป็นเอตมังขนมุตตมังมาจากประตูไหนนั่น พวกเราทั้งหลายน่าสนใจเหลือเกินออสนใจในทางพุทธศาสนาชนะความสนใจทางปวงในโลกนี่ทำชั้นต้นทำ ช, ชั้นกลางก็ตายคาภาวนาก็ไปเกิดพรมรโลกตายคาภาวนาพุทโธไปเกิดพรมรโลกตายคาภาวนาร่างกระดูกก็ไปเกิดพรมรโลกแต่ยังไม่ทันเบื่อนายอ ตาคาภาวนาอนนี้จังทุกขังอนัตตาก็ไปเกิดพร ม, มโลกภู่ภูมิของพระอนาคามีไม่เสียดายอยากมีการเวตตกความตริในทางกามไม่มีเลยเพราะเห็นโทษความตริในทางกามความส่งเสริมในทางกรรมเห็นโทษรุนรุน่นไม่เห็นคุณเลยท่านก็ไม่เสียายอยากลงละเมืด ความส่งเสริมทางพยาบาทก็ไม่มีในพระอนาคามีความส่งเสริมในทางเบียดเบียนก็ไม่มีในพระอนาคามีขาดหมดแล้วส่วนพระสวสดิบาลขาดอย่างหยาบอย่างกลางไม่ขาดนะส่วนพระทหารขาดหมดเลอดีตคืออะไรคือผู้รููที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึง ปัจจุบันคือผู้รู้ที่กำลังเป็นอยู่อดีตคือกองทุกข์ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือกองทุกข์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือกองทุกข์ที่กำลังเป็นอยู่ท่านไม่สงสัยในเรื่องอดีตอนาคตเลยนั่นเรียกว่าท่านผู้คนไปแล้วถ้าไม่สงสัยในอดีตก็ไม่ได้เอาอดีตมาเป็นตัวเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคล อดีตคือคิดใจที่ร่วงไปแล้วอนาคตคือคิดใจที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือคิดใจที่กําลังเป็นอยู่นั่นภูมิของพระอรหันต์ท่านไม่ติดอยู่ในที่ใดๆเลยไม่ยืนยันว่าใจเป็นตนตนเป็นใจไม่ยืนยันว่าธรรมเป็นตนตนเป็นธรรมไม่ยืนยันว่า ใจเป็นผู้อื่นผู้อื่นเป็นใจเป็นทศวรรษกองทุกข์และนามรูปเท่านั้นแล้ปัญหาทั้งหลายก็หมดไปท่านเลยไม่ไม่ติดข้องโดยทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยนั่นท่านพุนพนไปแล้วพ้นจากทะเลหลงไปแล้วอันนั้นพวกะิพ้นจากเกลียดทั้งปวงก็พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง คนจากกรงพยาบาลสีทัญญาไปแล้วพระอาหารหันต์ส่วนพระสวัดิวันบ้าหยาบหยาหายไปแล้วไม่ขบวชคืนยังแต่บ้าขนาดกลางในละเอียดส่วนพระอนาคามีบ้าอันละเอียดก็จะหายไปใกล้จะหายไปแล้วส่วนพระอหันต์บ้าอันละเอียดหายไปหมดแล้วบ้าโรอบบ้าโกดบ้าหลงไม่หลงว่า อดีตอนาคตเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาอะไรเลยอดีคตคืออะ ไ, ร ค, ออไอครคือกองทุกข์ที่ล่วงไปอนาคตคือกองทุกข์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือกองทุกข์ที่กําลังเป็นอยู่สัพเพโลกทั้งปวงย่ลงมาเป็นสามการอดีตะการอนาคตกา ร, า ร, การปัจจุบันตะการเมื่อรู้รอบโลกทั้งสามการแล้วก็ไม่สงสัยในโลกทั้งปวง ก, ก็ชนะความหลงของตนไปซะความหลงของตนมีเท่าใดก็ชนะไปหมดแล้ว นโมพระจกทาคามีก็ละเอียดไปกว่า น, นั้นนโมแปลน้อมน้อม น, นโมพระอนาคามีก็ไม่มีราคะโทสะน้อมน้อมจนไม่มีราคะไม่มีโทสะเคารพธรรมจำลงุงนโมพระหันไม่ติดอยู่ในที่ทั้งปวงเลยเหมือนนกบินในอากาศเห็นแต่ตัวของมันจะไปถ่ายอรอยของมันก็ไม่ได้เหมือนมีเฉือนน้ำ จะนึกเท่าไใดจะคิดเท่าในก็ท่านก็ไม่ลำบากใจเพราะท่านไ ม, ม่ยึดมั่นถือมัน่นสิ่งใดใในโลกแล้วภิกษุจงเป็นผู้รู้จักตาจงเป็นผู้รู้จักหูจงเป็นผู้รู้จักขมูกจงเป็นผู้รู้จักลิ้นจงเป็นผู้รู้จักกายจงเป็นผู้รู้จักใจตาเป็นนาสกวาตา กลายเป็นตาศักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายาลูกศาสนาเวทนาคือสุขทุกข์แล้ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นแต่ศักวาเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์บุคคลใจเป็นตาศักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงตศักว่าใจทำที่เป็นกุศลแอกุศลก็เป็นตาศักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นธรรมาลูกศสนาไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆในโลกท่านก็ข้ามทะเลหลงไปแล้ว ถ้าเร่หลงของตนเองนั่นเองถ้าความโง่มีเท่าไรกิเลสก็มากขึ้นเท่านั้นถ้าความฉลาดมีสติปัญญาเหนือกิเลสแล้วกิเลสก็ตั้งอยู่ไม่ได้ชนะกันที่นี้ถ้าไม่ชนะก็ไม่ชนะที่นี้ถ้าแพ้ก็แพ้กันในที่นี้ถ้าไม่หลงก็ไม่หลงที่นี้ถ้าหลงก็หลงที่นี้ถ้าไม่หลงในที่นี้ก็ไม่หลงถ้าไม่หลงอดีตก็ไม่หลงอนาคตก็ไม่หลงอนาคตวันกัน ถ้าไม่หลงจิตก็ไม่หลงอะไรทั้งปวงเหมือนกันดินน้ําไฟลมภายนอกมันไม่ยึดมันเพามันเป็นดินเป็นน้านนําเป็นไฟเป็นลมมันก็ไม่เห็นหลงอะไรดินน้ําไฟลมข้างในเนี่ยพยาจิตราษมายึดมาถือยึดถือทางนอกนอกด้วยในด้วยแบกเอาแบกไปแบกมาก็มีแต่ฝ่ามือเลยไม่ได้อะไรครับ ที่นี่อาไพ่อเนาะฮเนาะยถาววาปราะเนปุเรนเดซลังเอเวเวติังเปตานังอปกะปิมีชีตังปฏิตังตุมหังเกปเว่าสเมชาตสะเพปเรนตูสังกะปาจันโทปนาโสยถามริโชตีรโสยถาสพติโยยวันสพโลโเวนัตุมาเตปวตวนตรายโสุขีทีขาโโภอภิวาตนาสีสานิจังมุตตาปจายโรยตาโลธรมาวันติอายุวันูสุขังภะรังไป กออไปร้ายก็หลายออกจากใจหมดได้ร้ายออกจากคนอื่นน้องก็ น, นอ้องเรืงว่าหาใจนี่น้อมศสียลงว่ากับว่าหาใจนอ้อมคว่ำดีแว่ากับว่าหาใจดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจทํำดีก็ทําให้ใจทํำชั่วก็ทําทให้ใจะรถตาแนงอบายมุกไปดิรถตาแนงอบายย ม, ม, กยาายย ม, มุกเราเออรถถังถ้ำหรอกแล้วเท่านั้นแหะเอออบายย ม, มุกรถตําแนง เมือ่อรถตำแนงอาบายยมูกลับไปบรดอดสิเฮียนจบทรไปทริโดก็ต า, ตามสเป็นที่เป็นหอดจอมพ่นกรไปนะครับรบรอดตำแนงอาบายยมูกระไปบร อ, าารอรปปรด เออแข้งแง่งเน่ยทีเป็นฮอดหน้ายกก็ะตามเธอขำวารอดเอาไวยจะมุกเราไปไม่รอด <c oughs> พาคือกันเลยจิเป็นฮอตกา้าจะพุณนกระซ่าเธไม่ได้เจ้าโทษทท่านั้นหละขำารอเอาไวยจะมุก เมื่อรถตำแนงอาไยมุกกรไปบ่ลอดศรียนหอดเก้าประโยคกรไปบัลอดวายดเอบาบ่ารถตำแนงอ า, <c oughs> อาไยมุกอ่ะเออตายซะ คาราวอจนะวาโตจะเอตมังคารมุตตมาเป็นมงคลอนุดมของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายความเคารพความสั้นโดดความเตรียมตัวเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงทรงอยู่ที่หัวใจของพวกเราแต่ละท่านละคนเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วย พระพุทธศาสนาพินาณลงจากหัวใจแต่ละท่านและคนแล้วหัวใจพวกเราจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนนอดม้วยสุดสิ้นสกุลพุทธใครรานใครโรคเล่าชาวพุทธในทางตรงและทางอ้อมทางลึกและตื้นผลของกรรมอันไม่ดีจะตามถึงที่สุดอยู่ทั่วการนานื่อพุทธศาสนาไม่มีอยู่ในหัวใจพวกเราแล้วไช่ มดหมายใดๆก็ตั้งมาอยู่อของธทรำรมไม่นำมันคำหนึ่งก็มดที่พึ่งพิงเองอาศัยชาวไตรโรกายาประมาทพระพุทธศาสนาเธอพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเรานั่นเองเพราะพวกเราถือพระพุทธศาสนานอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะถือพระพุทธศาสนาไม่มีผู้ใดจะพาเคารพรับถือพระพุทธศาสนาได้ กายวาจาไม่รู้อี่หนูอีนี่อะไรใจเป็นผู้รู้จักก็ต้องภากายวายกานับถือพระพุทธศาสนาะะหนานตาอะใดในโลกนี้จะเหมือนพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยนักที่เมตตาหนังางินยังรณะอื่นของเราไม่มี พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นชนะอันประเสริฐ ข, ของพวกเราทั้งหลายเมื่อกล่าวคํำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อตราเท่าเข้าสู่พระนพานเถิดผู้ใดถึงว่าพูดธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตราเท่าเข้าสู่พระนิา พ, พ, พาพ น, พาาพรนาหรือก็ดีหรือตลอดชีวิตก็ดีผู้นั้นละโลกนี้แล้วไปบันเทิงในสวรรค์ พูดถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นเที่ยพึ่งมีคติเป็นสองไม่มนุษย์ก็สวรรค์ถ้าตรงกันข้ามแล้วก็มีสติมีคติเป็นสองไม่สัตว์ที่านเป็ดอสุรกายสัตว์นรกโหนเอกพระบรมสาธราทายไว้ไม่ให้เข้าข้างตัว ปาลบตามป็นจริงของธรรมเพราะองค์ท่านไม่มีจิตใจพระบระมาศาสตาไม่เหมือนพวกเราพวกเราทําอะไรเข้าข้างตัวบ้างเข้าข้างพักของตัวบ้างพ ร, ะระาะว่บรมศาสตาไม่ได้เข้าข้างตัวไม่ได้เข้าคักข้างของตัวไม่ได้เข้าข้างญาติของตัวเข้าข้างธรรมเลยให้เป็นกลางเลยให้ได้ประโยชน์ทั่วทั้งตจโกรกธาเขารบธรรมจำนูง ด้วยจิตและกายวาจาถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราจะถาคตก็ไม่สามารถรู้ทำได้ทำมีอยู่ก่อนเราจะถาคตจึงสามารถรู้ทำได้เหตุนั้นเราจะถาคตจึงเขารพทำแบบไม่กระด้างกระเดืองเลยพระพุทธเจ้าสอนมนุษย์มนุษย์สมบัติเต็มภูมิ สอนสวรรค์สมบัติเต็มภูมิสอนพรหมสมบัติเต็มภูมิสอนนิพพานสมบัติเต็มภูมิแล้วไม่มีลัทธิใดๆจะมาเสมอเหมือนเลยทุกๆพระองค์ก็ตรงกันหมดไม่ได้รบหล้าพราบกันจะมากี่ร่างกี่โกดเป็นยุกๆ ก, ก็ต า, ามก็เป็นคําสอนอันเดียวกันไม่ได้เข้าข้างตัวเลยเข้าข้างธรรมพระพุทธเจ้าทั้งหลายเขารบธรรม ไม่สําคัญตัวว่าอยู่เหนือธรรมธรรมหมายความว่าพระเนพานธรรมนับแต่โลกุตระสุปฏิปโนเป็นต้นไปธรรมโลกีธรรมโลกุตระธรรมโลกีธรรมต่ํากว่าพระสวสดาบาลลงมาเป็นโลกีธรรมนับแต่พระสวัสดิบาลเป็นต้นไปเป็นโลกุตระธรรมบานหน้าไปสู่พระเนพาน ตจำกว่านั่นลงมาก็วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารยังไม่ออกจากตาขา่ายทำบุญก็เป็นบุญอยู่ทำบาปก็เป็นบาปอยู่แต่ไม่วนยังไม่ดิ่งไปหาพระนิพพานพอถึงก็โสดาบันแล้วก็ดิ่งไปหาพระนิพพานเลยจะช้าหรือเร็วก็ไม่กลับหลังและไม่แวหวซ้ายและขวา ทำเป็นเครื่องอุ่นใจศีลเป็นเครื่องอุ่นใจทานศีลภาวนาเป็นเครื่องอุ่นใจก็คือของพระโสดาบันถ้าเป็นเรือนก็มุงดีแล้วฝนไม่รั่วพึ่งได้แล้วถ้าเป็นลมพัดมาก็ไม่หักถ้าเป็นน้ำไหลมาก็ไม่ท่วมไม่มีภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้นตรงต่อเข้าสู่พระานเลย คือมีศีลห้าบริบูรณ์ไม่ต้องได้บังคับมีศรัทธาเอง <Okay. S 1> ยอมอบกายถวายชีวิตต่อศีลยอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมือ่อ <Okay. S 1> ยอมอบกายถวายชีวิตต่ออบา ย, ยมุขไม่เสียดาร่วงละเมิดไม่เสียดาอยากจะถืออยู่ยงคงกพัน ไม่เสียดายอยากจะถือเลกดียามดีไม่เสียดายอยากจะถือรัฐที่อื่นนอกากาพุทธศาสนาไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดด้วยโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวรถ้าเคยได้ทำผิดเข้ามาแต่ชาติก่อนก็ให้แลวกันไปซะ่ะถ้าเขามาก่อใหม่ก็ให้แล้วกันไปซะ ถ้าเราหลงไปก่อเขาใหม่ก็ให้แล้วกันไปซะข้าพเจ้าจะไม่จองเวรท่านผู้ใดเลยเพราะเห็นภัยในการจองเวรแล้วเห็นภัยในการที่ไม่ถึงพระพุทธระธรรมประสงค์แล้วเห็นภัยในการที่ไม่มีศีลห้าแล้วเห็นประโยชน์ในการถือศีลห้าเห็นประโยชน์ในการถึงพระพุทธธรรมประสงค์ ไม่มีการสงสัยเลยนั่นเป็นภูมิของสุภิญญันนเป็นโลคุตระศีลเป็นโลคุตระสมาธิเป็นโลคุตระปัญญาเป็นโลคุตระทานเป็นโลคุตระศีลเป็นโลคุตระสมาธิเป็นโลคุตระปัญญาเป็นโลคุตระเจตนาเป็นโลคุตระความเห็นชอบ สิงเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะขบให้แตกทั้งนั้นน่าหาท่านมาพรท่านมาย้ำก็ท่านนีดอกพท่านจหัวใจท่นมาย้ำเว่าก็ท่านนดอกพท่านจหัวใจท่นเพราะหัวใจท่านพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ูโอ้วังนึงไปวังนึงนี่กัวนซ้า น, นี่บะ โยนี่สี่ทุกทวนหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกมาถึนสุขในพุทธธรรมสงฆ์เป็นสุขที่ก้าวหน้าไปสู่พระา槃สุขในโลกีเป็นสุขที่วนเวียนอยู่ในเองเดี๋ยวก็ไปหาทุกบ้างเลี๋ยวก็ไปหาสุขบ้างไม่แน่นอนสุขในโลกตระสุขเดินหน้ารุดไปจนถึงพระา槃 ไม่ถอยหลังเลยจะเดินชา้าหรือเร็วก็ไม่ถอยหลังให้ทานรักษาฉินภาวนาเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารภูมิของพระโสดาวันถือพระพุทธศาสนาเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารภูมิของพระโสดาวันให้ทานเข้าเมตถักวัดเช้นเรื่องหนึ่งก็ดีพุทโธคําเดียวก็หวังถึงพระนรพนไม่ได้หวังว่าพุทโธเลขพุทโธผาพุทโธบัดพุทโธเบือ ธโมเลธโมผาธโมบัตธโมเบอร์ไม่มีในพระโสดาบันนะพระบัติเข้าสู่พระเพปานไม่ได้บัมาวนเวียนในวัดตาสองสารอยู่คารวะก็มีมากในขั้งพุทธกาลในกรุงราชาัชช์มีสิบเอ็ดละหุดมีหนึ่งแสนกับหนึ่งหมื่นคนพระโสดาบันในขั้งพุทธกาลมีมากพระเจ้ากรทาคารีก็มีมากคาราวะ พระหันก็มีมากขราวาสขราวาสเป็นพระหารก็มีมากเหมือนกันแต่ท่านไม่อยู่นานท่านก็เข้าสู่พระนานไปซะส่วนพระอนาคามีจะอยู่จนสิ้นอายุขส่วนพระสวดาบันก็จะอยู่สิ้นอายุขในขราวาสนี่พระมากอีกแล้วไง มาซา ม, มาซาเว่เห็นปะซาเว่เดือวหน้าเดือหลังมาพระท่านเพิินจากอายเห็นปาพี่ไสเข า, าเคยท้วงันเพินมากท้วงเพินแดเพินเป็นตายจากอายพระนจ้าพ่ท้วงะ่นพี่ไสเขาเคยบอกไม่ีพี่นอกมาให้มาซาดยัจะไปเฮ็ดนาทูหูห้ยพระรุ่งเห็นปะ่านี่ท้วงเพนแ่่่านเนเพนบว่ามาอยากไม่เคลียเลยพระ่นพีเ่เขาสอนเรา เห็นพี่น้องมาเฮืร์นมาซ้านทวงเพื่อนมาสัน่นเพื่อนเป็นตาส่งเกอเกอรเพื่อนเขินอยากอายนะันเพื่อนว่าเป็นตาอยากอายกับว่าทวงกับว่าไปยังมาสัน่นเพื่อนทํามทายอยากอายนะกับทวงเพื่อนได้แวาสัน่นพี่ทายเขาสอนเข้ายังสั่นแล้เห็นว่าส้าโมือต่มาลุ่นมาลุ่นอบุญพระเจ้า าราลุ้นกัอาบนพระเจ้ามากรก์ตะอาบนพระเจ้าทุกอย่างแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่หัวใจสบายเอาผีมาอยู่แต่มันบ่นว่าเอาผีมาอยู่นี่นึนปว่าไปบวงสรวงมันเถอะเพราะว่าไ่ได้บวงสรวงง่ายพระพุทธเจ้าหอ่อบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทําผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือ หัวเบียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นโสดมาซะาออมาซะพี่ม า, มาออกมาทั้งนี้มานี่ถ า, ามนายยางบอยั ง, ย ง, ยงมาจากองค์พระเอาเครื่มามาถวายควรนมาเอาแล้วคนจบระบาดเนี่ย ไม่อะไรบอภาพภาพไม่เอรอฮะเออภาพาพแบบพอๆไปกันไม่เพิ่มหนึ่งเลยนะดูแค่ยนอยู่บ่ไม่เหรเอาแล้วฝนตกหรอฝนตกคนกินบะท่านฝนตกกระสันพระพุทธเจ้าว่าถ้าเหาเพราะว่า เอาต้นไม้ลําธารออกอฝนไม่ตกอพระพุทธเจ้าพูดว่าขาดหินท่ามเลยฝนไม่อยากตกไปใช่ไหมไ่อยากตกตามฤ ด, ดูกาลนะพระพุทธเจ้าข้างพระเวชสันดรในเมืองก็เลียงกระละจงังหวามาขออสร้างพระเวชสันดรไปนะสร้างพระเวชสันดรไปพระเวชสันดรท่านรูด้ดิไปหอดเมืองเขาเจ้าฝนตกขันสร้างตัวนั้นไป เออมากเอามามาทราบว่าเปียกบัดนะพี่น้องเศร้าพุทธพอได้ก็แเสวงหาความสุขบัดสุขสะเกิดได้ก็พระสางกสรสพ้นบุสุขขอปัญญะสัจุโยความสะสมแห่งบุญนำมาสร้างสุขสุขขอปาปัสสัจุโยความสะสมแห่งบาปนำมาสร้างทุกข์สาธุเจ้า บูนยังโจเรห้ทูหลังบุญโจร น, นำไปไม่ได้บาปมันก็นด้นำไปว่าใดขึ้นกันพระเยซูย่ำของผู้นั้นเพราะว่าจะบุญละนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะทำบุญให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะทำบาปให้ใจใจเท่านั้นเป็นหัวหน้าทำบุญและบาปและบักผลในผานรัดศีลลงที่ใจ ตั้งสมาธิตั้งมั่นลงในที่ใจปัญญารอบรู้ในที่ใจยน่นสิ้นสมาธิปัญญาลงมาเป็นหนึ่งย่ น, ยนลงมาขยายเป็นสองกับกายกับใจขยายเป็นสองกับกายสามกายว่ า, าใจใจขยายเป็นสี่กับธาตุสี่อริยสัจสี่ขยายเป็นหากับขันหา้าขยายออกเป็นหกกตาหูจมูกลิ้นกายใจขยายออกเป็นเจ็ดกับสัต์ตาว่าเจ็ดหรืออริยสัจเจ็ด ขยายออกเป็นแปดอัดถังที่กล้าม่าแปดขายขยายออกเป็นเก้ามักซีพันซีในผ่านหนึ่งขยายออกเป็ น, นสนนนยยออนิบกุศลกม็มาวทิบกุศลกรมาวทสิบยอดลรหว่าเป็นหนึ่งกัหนึ่งกิดหนึ่งใจทัตัวเสียกเส้นเดียวฮะครึ่งย่าวเยียดออกไปทั้งไตรโรกระถัโค้งมากเลยกระกองคอไตโลกราถัด่ช่นกันอันเดียวกันยอดลงมอก่ยายอดหรอว่าหายใจมากก็ามากออกไปจากใจ น้อยกับ น, น้อยลงมาหาใจแทดบุญเท่ากันแท้บุญมากกับมากมากเยอะน้าใจฮท้บาปมากกัมากก็เยอะน้ำใจน้อยก น, น้อยเยอะน้ำใจข ย, ยออขยายออกขยายออกจากใจยย่นลงมากกับมาหาใจนี่เรียกว่าย่นลงมาเป็นหนึ่งเป็นเอกนิบาตมาโมนโภูพังขมาธรรมามนโนเสต้ามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่คำสอนตละลาบาัตระบาดมชงต่อพันิพาณมัต นโมตัวเดียวก็ทรงตอพระ涅พระผางผู้ใจสูงนโมแปลว่าน้อมนอบนออบนอ ม, นอนอมจนว่าบ้าเกิดแก้เก็บจ่ายในวตาทรงสารนอบนอมจนว่ม่โลภไม่โกรธไม่หลงนอบนอมจนถึงพระ涅พภะผ่างเรียกว่านโมพระโอคุตระพระสวดิวันนโมแปลว่านอบนอบไม่หลงทางไม่ใช่ดาร่วงละเมื่สิ้นห้าพระสวดิวัน ไม่เสียดายร่วงละเมิดอบายามุกไม่เสียดายอยากจะถือโยโยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือเรื่องดีงามดีไม่เสียดายอยากคจาขายเครื่องประหารขายมนุษย์คาขายสับเป็นเลเนื่อดสับเกตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารคาขายน้ำเมาคาขายยาพิษการค้าขายหาอย่างนี้พระสวสดาบันไม่เสียดายร่วงละเมิดเลยเพราะเห็นว่ามันเป็นเวรเป็นภัยเห็นว่ามันเป็นทางเสื่อมไม่ใช่ทางเจริญ เขาเห็นชอบตามไปจริงแล้วเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นอันนี้จังชัดอีกด้วยได้ไในโลกล้วนอันนี้จังได้ในโลกล้วนทุกขงังได้ในโลกล้วนอนาคาไม่ต้องสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยในด้านปัญญาของท่านมีหลักอยู่อย่างนั้นบาปจะเกิดขึ้นก็พระเหตุสร้างบาปถ้ามาให้บาปเกิดขึ้นก็ ตัดเหตุของบาปออกไม่ต้องสร้างบุญจะเกิดขึ้นก็ต้องสร้างเหตุของบุญขึ้นเป็นผู้เชื่อเหตุเชื่อผลธรรมัญญาตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัตถันญาตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุล่วงอรไภยมุขท่านก็ไม่ใช่ได้อย่างล่วงอบาภ ย, ยมุขเพราะเห็นดีแล้วเป็นทางเชีบหายโดยตรง ไม่มีสารอุทธรเลย NYU, เหตุนั้นท่านจึงไม่เสียดายล่วงละเมิดเพราะท่านเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเห็นทางเสื่อมทางเจริญเี็นวิชาเคล็หลาบย่ยมาเกิดแก่เก็บาจในวันตาทรงศาลเลยคำสอนพระพุทธเจ้าเี็นวิชาเคล็หลาบลับอาวุธ อาวุธที่มันเป็นเวนไพ่์หรอกปศรักษาศีลก็คือปศอาวุธ่ะปดอาวุธที่มันเป็นเวนไพ่ในวัฏสงสารนะักปศอาวุธเลยเม้วนศีลว่าเป็นเพเดาในวัฏสงสารนี่นี่สิไปสวรรค์นีน่พ่านหมดเพราะที่ใหญ่ตำแหนง่งมูเฮ่อใหญ่ตำแหนง่งแห้งอยคล้วยเขามาเกิดเป็นมนุษย์แท้มูเฮ่อมูเฮ่อจะมาขวงอยู่นี่เคลื่อนที่ไปสวรรค์นีน่ผานหมดมูเฮ่อ เขาทิ่รอดมาเกิดตําแนงเกิดมนุษย์อย่างนี้เพราะพวกเขาหน่อยๆซัดเต็มโลกโยวันนี้สิเกิดในคันในไข่ในเท่าในไข่แล้วเกิดพุกขึ้นทุกท่นหน้าทั่วทังไตโรกาแสวงหาความสุขทุกทุกท่กทานเมืเ่อเขามื่อตาเห็นหงแล้วเขาก็มาเหลี่อมสาพระพุทธพระธรรมประสงค์ข้าวขันยังห้าเห็นหงห่าเนือเหลี่ยมสพระพุทธพระธรรมประสงค์เหียมว่าบาลามียังอ่อนดุขโมกขะล่าสาเรวด์กรมาเหลี่ยมสพระพุทธพระธรรมประสงค์ข้าวสกปร จิงสมเ็จพระสวดาบันจิงสมเ็จพระรหันต์ลัทธิใดๆก็ตาต้องจิตว่างซะก่อนเมื่อหัวเมื่อชื่ก็ว่างแล้วกม็มาหาพระพุทธพระธรรมพรสงเข้าสู่ปิพากษล่ะศาสนาใดๆก็ตามแต่มาห่วมกันนี้วรัดไเทวาจักราจาร์พวกนี้พิจาราคัดไปออกมีตำแนางอีกด้วยพระพุทธเจ้าก็ยืนยันไว้ยงสันด้วยลันะทธิอื่นๆศาสนาะอื่นๆก็ต้องมาเลี่ยมใสพระพุะทธศาสนาเสียก่อน จึงจะเข้าสู่พระนิพพานได้ไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดตามเป็นจริงของชาวโลกที่เป็นมาของชาวธรรมที่เป็นมาพระพุทธเจ้าธรรมเป็นของจริงมีอยู่อย่างนั้นอริยสั จ, จธรรมก็คืออริยสัจจริงนั่นเองเข้ารับความจริงไม่ได้เป็นอุปาทานไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรม และเลือกได้ไม่เลิกได้ไดก็ดีขอมาอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อกับเท่าเข้าสู่พระเนี่พานเพื่อพ้นทุกข์ในวัดะทรสงสารโดยด่วนอยู่ทุกเมื่อเทินและเลือกได้ไม่เลิกได้ไดก็ดีขอขม า, าโทษต่อพุทธธรรมสงรอยกายวาจาใ จ, ใ จ, ใจปวดขาดจองขาดอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อพ้นทุกข์ในวัดตาสงสารโดยด่วนอยู่ทุกเมื่อเทินและเลือกได้ไม่เลิกได้ไดวกว็ดีขอทูลถวายสกลกายวาจาใจ เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติรมสมบัตินิพพานสมบัติบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาตามเท่ า, าข้าสู่พ์ขาเนิพาเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนในปัจจุันชาตินี้เถิด นี่เรียกว่าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นหนาแค่นดินนาสองเสนสี่หมื่นโยดเขาเอารุกระเบิดปรมานูทาลายแตกแต่จิตใจถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วไม่มีใครจะมาทำแตกเลยสั จ, จปรมีสัมปั น, นูอธิษฐานปรมีสัมปั น, นูตั้งสัจจะอธิษฐานไว้แล้ว จะตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมากกว่าเม็ดสีเม็ดทานเนี่ยท่อมหาสมุทอสงไขยอสงไขยมหาสมุตก็ตามจะไม่หนีจากพระ พ, พุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมือ่อลงเอยถึงขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอีกถ้าไม่ลงเอยถึงปานนั้นแล้วลมพัดมามันก็ไหวไปมาเดี๋ยวก็เป็นนุ่นปลิวไปตามลมเขาก็มาปั่นไปอันนั้นไปอันนี้ทําไมจึงเป็นอย่างนั้น พราะขบพระพุทธศาสนาไม่แตเพราะถือว่าพระพุทธศาสนายังต่ําต้อยในการเทศนาอยู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพมสมบัตินิพานสมบัติเต็มภูมิแล้วไม่มีรัที่ใดๆจะมาเทศนาเหนือพระพุทธศาสนาไปเลยมนุษย์สมบัติคืออะไรก็คือมีศีลห้าบริบูรณ์ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองตลอดถึงไม่ล่วงอบายมุกนั่นเองนั่นคือมนุษย์สมบัติเป็น เป็นทุนก็สวรรค์สมบัติก็อยู่ในที่นั่นด้วยสวรรค์ได้นิพพานก็พรมนิพพานก็อยู่ในที่นั่นด้วยเพราะเป็นทางเส้นเดียวกันนั่นภาวนาพุทโธพุทโธไม่พามาเกิดพุทโธเป็พามาแก่พุทโธไป็พามาเกิดพุทโธไป็พามาตาย พุทโธพามารอบมาโกดมาหลงพุทโธพาเข้าสู่พระนินพานไม่ใช่พุทโธเลพุทโธภาพุทโธบัตพุทโธมือทำโมก็เหมือนกันอันนั้นเรียกว่าผู้ภาวนาใจสูงแล้วทำแต่ละบวระบราดส่งต่อพระเนพานหมดนะโมตัวเดียวก็ส่งต่อพระเนพานพุทธทางคาเดียวก็ส่งต่อพระเนปานพุทโธคําเดียวก็ส่งต่อพระเนพาน มันขึ้นอยู่กับบารเมีแก่ก้ามาแล้วทําแต่ละวระบาตฟังคนคนหนึ่งก็เทียบมาจิตหาจิตของตนใครอยู่จิตต่ําก็เทียบมาหาต่ำใครอยู่จิตสูงก็เทียบไปสูงใครอยู่จิตจิตขนาดกลาก็ตีความหมายมาขนาดกลางทำหมดเดียวกันเหตุนั้นทําข้อเดียวกันคนหนึ่งไปฟังเทศได้ถึงพระสวัสดิวันสักกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็มี ข้งพุตธการเช่นพระพาหิยะไปรบกวนฟังเทศพระบรมศาสดาพระบรมศาสนาก็เลยเทศให้ฟังเป็นตาสักว่ารู้เป็นตาสักว่าเห็นเพราะเห็นได้จึงเทศอย่างนั้นเพราะมองเห็นวัตถนาของท่านแล้วเป็นตาสักว่ารู้เป็นตาสักว่าเห็นเนอะครับพอแล้วถึงพระรหัสนี่เทศคํายอดเท่านั้นล่ะ เป็นสักวารูเป็นสักเจสักว่เห็นนี่คือหมายความว่ายังไงไม่ยึดถือผู้รูกเป็นเราเเป็นผู้รูปเป็นตาสักวารูเป็นตาสักว่าเห็นแล้วกระจบกันเพียงแค่นั้น่แล้วก็ไม่มีกิเลสอัะไรเลยทีนี้กิเลสก็แตกกระเจิงเลยอวิชชาตันหาอุปาทานก็แตกกระเจิงไปนัตตินั่นเองเพราะเห็นว่าท่านสร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วนั่นคล้ายๆกับดอกบัวกําลังจะบานอยู่ได้แสงพระอาทิตย์มาก็บานใส่ ส่วนดอกบัวตูมก็เป็นแบบหนึ่งดอกบัวตูมนิดหน่อยค่ายๆกับปศนาบันตูมจะบานในวันต่อๆไปก็ค่ายสักต า, าคามีค่ายพระอนาคามีดอกเสมอน้ามก็ค่า ย, ย, ยกับผู้ถือผีบ้างถือพุทบ้างถือธรรมบ้างถือสงฆ์บ้างเล่นเลนเล่นผาบ้างดอกเสมือน้ามดอกใต้น้ามประมาเหมือนบาปบุญไม่มี ไม่ถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญเลยยอดเป็นพักษาแห่งปลาและเต่าเป็นส่วนมากก็บางทีก็พ้นขึ้นได้บางทีก็ไม่พ้นเขามีร้ายบางทีนี่ดอกอยู่ใต้น้าในดอกบวัวสีเราก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาเหมือนกันดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกเสมอน้ําก็เสมอหน้ําเต็มภูมนะิมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยสามารถท่านทั้งว่าพุพทธธรรมประสงค์เอาเป็นที่พึง่งที่ระลึก แล้วเลือกใดเลือกใดก็ดีตามต่อเท่าเขาสูพคุณภานผู้นั่นสินล้มปานน้ำไหดกับไปสู้เทวโลกมนุษย์โลกมนุษย์โลกสั้นสูงเทวโลกสั้นสูง เ, เกยเจจีพุทธัทงสัานานังคาตาขาโ ต, าาตเสนาเตยขมิสันติอปลายาโพริงหายามานุสังเทหังเทวกายยังปฏิโพเลสสั้นตีติ ผู้ใดถึงพรพุทธพระธรรมประสงค์เป็นที่เพิงผู้นั่งละโรคนี่แล้วไปบรรเทิงในสวนนรรค์คนละไม่ได้งายเอาพุโทโธท่าโมสังโคตั้งหัวใจหันจะเอาไว้ันอื่นแลวเลือกได้เลือกได้กว่าดีสิขออุทิศสักคนละกายว่าจายไกให้เป็นที่ยู่ที่พักของพระพุทธพระธรรมประสองค์โดยตรงเมื่อมาถึงก็มดเรื่องซะ บอกกบฏก า, ายภาคกบาไก่ประเทศไทยกบฏมาหาบุญที่พั า, าน์นเกิดกระจกกัดขึ้นเกิดที่เกิดขึ้นแรีกรจักเลื่อนกระจัเจริญขึ้นใจทั้งว่าพูดพระธรรมะสองล่ะใจว่าทาั้งว่าพูดพระธรรมะสองใจมืดใจนะ่า เป็นทั้งกลนหัวบ้าข้าน้าใจทั้งว่าพุทธธรรมประสงค์แล้วอะบุญที่บ้านเกิดเกิดขึ้นจากหัวใจบาปที่เกิดขึ้นแล้วคอยละไปในตัวไม่ถ้าบุญคู่นบุญใจทังว่าพุทธธรรมประสงแล้ว นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสอง่ะบุญก็ไปบวกบุญด้วใจฮะเพื่อนสอนให้ละชั่วทำดีพระพุทธเจ้าจงเป็นผู้ทำจิตให้บันเทิงในการละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทาั้งหลาย จงทำจิตให้เป็นผู้ใจถึงในทางทาดีเป็นคำสอนอง้อพระพุทธเจ้าทางหลายอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทาชั่วเลยจงเป็นผู้มีอิสระทางทาดีตามสติกาลังของตนอย่าเป็นผู้มีอิสระทางทาชั่วเลยพระพุทธเจ้าสอนนอกจากใจก็ไม่มีมอะไรจะทำดีให้ใจ นอกจากกาก็มามีอะไรจะทำชั่วให้ใจทำดีทำชั่วแล้วก็มาอยู่ใจไม่ได้ทำให้ดินฝ้าอากาศเลยบุคคลผู้เหลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจิตใจของเขากระสางบุประจําวันด้วบุคคลผู้เหลื่อมใสในพระพุทธศาสนา คิดใจกระสางบาปโยมีก็เวนขึ้นเพราะเอาเราไปทังบาปได้พวกเรือมใสพราะเขาเขาประสงค์นึกมาหาญามไดมันไปทังบุญญามนั่นไม่ได้ไปทังบาปเรียกว่าอาหารของคิดของใจเป็นของสำคัญอาหารดูแน่รองเลยถึงข้าววันหิ้เขายังสิได้กิน อาหารของเกีของไก่เนี่ยนึกอันนึกมันก็นึกอันนึงอันึกจ่ทั้งดีมาใส่จากของจะชวนนึกทั้งสัวมาใส่จาของขัางไดสัวจิตพญางามละทั้งใหนดีสิตจิตพยางามสร้างขึ้นน่ะมันจะว่าเรื่องขนาดความประพฤติมิถันเลยความประพฤติของมนุษย์น่ะสิตพยางามทาดีทำมาสมฐานะของมนุษย์ได้น้อยกับบ่าว่าได้ร้ายก็บบ่าวา สี่พญ่ามละตัวมันสมฐานะของมนุษย์ข้อมดีความชั่วพระพุทธศาสนาบัญญัติไว้แล้วทำดียกสมือสมือความดีมันก็บวกเขาบวกเขาได้ใจมันก็ร้ายขึ้นตั่ออคือฝน่ตกท่แผ่นดินยกสมืสู้มันก็ะซุมมันกระหงคืนทำดีแล้วก็ไปอยู่ใจทำชั่วแล้วก็ไปอยู่ใจไม่ไปอยู่ในที่อื่นเ่ะ ไม่ได้ต้อนเขาคอกยากเหมือนโคแล้วกระบือทำดีก็ไหลเข้าสู่ใจทำชั่วก็ไหลเข้าสู่ใจไม่ได้ไหลไปดินฟ้าอากาศเลยเอละไระเนี่ยไปฮะตัวสมุทรโก้ไปเข้าวัจะถิไปพักแล้วบา่ายดีร่าห้ากับเป็นสุกร่าเฮ็ดเพียงตีนสูงเพียงตาเฮ็ดเพียงตาสูงเพียงฝา่าเฮ็ดเพียงฝา่าเขาสู้พนเนี้ผ้าไป เขากระบอางๆแล้วเร่องหน่อยม า, ม า, เากเากมาน้ำ